นี่นั้นแ่ะตัดผิดทำลอยฟังนะฉีผ้าตัวหน้า น, นี่เลยเน้นร้องไห้ของมันลองฟั ง, งฟังนะอันนิ้สยัยมันถอดมันเป็นอย่งังไงบ้างมาัาคิดเอาผาตัดผิดมันก็ผิดไปแล้วแล้วมาฉีกอีกนี่หาประโยชน์อะไรเน้นก็ไม่เห็นผิดมากอะไร เนรถึงกับร้องไห้ก็แสดงว่ากระเทือนกิจเนนมากเพราะความผ่าพ้นของเรามึงหลั้นนะั้นเราเอาตัวใจของใจผ่าพ้นนัน่นนะเนรร้องไห้เลยเอาเหมือนกับเอาเนนเป็นอาจารย์ท่านวางนัน้เลยตัดขึ้นใจตั้งแต่บัด น, นั้นพิธียาอย่างนี้จะไม่เอามาช้าจนกระทั่งวันตายท่านวางนั้นนะมีท่านเด็กนะ พิษม่ย่านใหม่หมดเลยปียานั้นเราไม่อามาใช้เพราะฉะั้นทุกวันจะเป็นอย่างนี้สมาระวังคุยผมฟังนี่นจะยูข้อนแก่นม น, นะตอนที่ผมไปพบท่านที่ว่าทันนี้ปรากฏว่าจะได้คุยกับธรรมกับพระสคัญอุณายองหนึ่งในในแน่ๆในของคำวันนิ่งแล้เพียงให้ภาพไปรออยู่ที่ศลานอนเข้าอยู่ น, นในร้องคืนผมไปนนอย่างนั้ ที่ยาจนไม่มีเลยเลยที่ยาว่าดุว่าด่าอะไรไม่มีเลยทุกวันอ่อนนิ่มไปหมดท่านท่านเปลี่ยนได้จริงจริเปลี่ยนจนไม่มีได้เหลือเล ย, เลยน่าชมมากท่านอ่อนโยนมากถ้าคนไม่เคยสราบนิสัยเมื่อตะวันก็เข้าใจว่าท่านเป็นนิสัยนี้มาตั้ง เ, งเดิมท่านบอกท่านเปลี่ยนใหม่เป็นว่าอะไรเปลี่ยนมาตั้งแต่บัดนั้นเลยท่าน ตัดถึงการลงอย่างเด็ดขาดเลยโยนปีายาต่างนี้จะไม่ช้าจะมาสรางวันตายไม่ให้มันปรากฏขึ้นมาอีกเลยจนมาสร้างวันตายมานี้พูดถึงขนาดวันตายนะเนี้ยเด็กเคยทันวก็ตัดขาดตั้งแต่วันนั้นคปอยานั้นไม่ให้มีเลย mm. เพราะงั้นผมเป็นปยาอย่างนี้แต่คนไม่เคยรู้ผมมาแต่ก่อนก็จะว่าผมเป็นอย่างนี้มาตั้งเดิมไม่ใช่นะผงว่ญญางนั้นนะนี่ผมมาเปลี่ยนใหม่แล้วตอน เน้นตัดสบงผิดเป็นเหตุทั Blue ้งท่านเราท่าฉีกข้าวสบงภาพขาวต่อหน้าเลยเน้นจะร้องไห้นานขนาดนั้นท่านพูดตอนที่รับค่าคำเริ่มมากนี่ผมฟังโอ้คณะท่านเก่งนะมันหนักเดซ่ายังไงก็ไม่ทราบท่านอยู่ในงานหนักคนเราถ้ามีนิสัยมันมีอะไรมาช่วยอยู่ไง มันมาอยู่ทำขนแก่แล้วนะตอนนั้นยิดมันเสื่อมทันว่าเม่ก่อนอยู่ที่โบราณก็ดีมันมาเสื่อมทีม่ราคามันกำเริบ อ, อย่างบุนแรงน้้ยแค่ธรรมดาจนตัดสินใจจะทำชั่วแล้วทันว่าแล้วถึงตะวันตกวัดมันมันมีปรชาชญ์เขามาหาผู้พุยผู้หญิ ไ้ยินียงทุกวันเวลาขาตอนนี้มันกำเริบจริงๆมกำเริบเกินจะไม่สติสตังอะไรเลยแมมราคามันจะล่นเวลามันกำเริบุ ม, มแรงที่สุดนะธันวานี่แหละผมเห็นผมเองธันวาันก็ปุ่นล้ฟังมันกนลังมาอยู่ธันวางเลยตัดสินใจออกไปวันนั้นหรือวั ผู้หญิงไงก็ตามจะไล่กอดเลยเสร็จสมมาเลยท่านวังนี่นะพอดีวันถึงวันนั้นพอวันตัดถึงใจอย่างนั้นจริไม่มีคนเลยท่านท่านออกไปทำกันท่านวาเงียบไม่มีสักคนผูอหผู้หญิงอะไรเงียบเหมือนเหมือนกับปรชาคนตายล้วนๆอ่ะไม่มีคนเป็นเขาไปเกี่ยวข้องเลยท่านวางอย่างนี้ของเราคุณผ มันก็เทวดาถ้วยเลยนะถ้าไม่งั้นจะต้องกลมไปเลยละ่ะผมมันว่างีนะ่ะเพรมันจะตัดสนะินใจเราหลานน่อขนาดนั้นนะเราออกไปแล้วเงียบบมดเหมือนกับบริเวณนั้นเหมือนกับโลกดับสนิัเลยนะไม่มีเสียงกู่เสียงคนอะไรเหมือนป่าชาจริงๆทันว่ามีแต่คนตายซึ่งทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นทันเวลานนะ ก็มาหาฟู้นอะไรกันอยว่คือคนอย่างผู้หญิงเต็มเงินวันตัดสินใจ้ากไปกลับเป็นคนโลกไปเข้ามากันท่านว่าจะเอามีโกนเชือดคอท่านถึง 2-3 หสามหมนนุนว่าเพราะราคากำเดอร์มีอะไรเตือนขึ้นปุ๊บให้สะดุ้งทันทีเันว่า3หมนุนเหมือนกันมีอะไรมาสิมันขึ้นมาจากภายนในกันปะ ก็ตั้งก็นเล่าให้ฟังคืออุบายที่ขึ้นมาคในท่านเวลาท่านเจอใดสักทตินั่นแ่ะไปเท่งนั่นขนาไปเมื่อไปแล้วมันไม่มันไม่สมจิตสมใจ ท, ที่ที่ไปนั้นมันพลาดไปนั่นแหะกลับมาให้อีทีนึ่นงว่างันว่างนันนะ ไปอยู่นั่นมันมีอะไรแสดงขึ้นทันว่าตอนแต่ปราชญ์ไปอยู่ยังนี่เนี่ยมองนู่นมองนี่มันก็มองหาเหยื่อทันว่างั้นนะแล้วมันผลขึ้นมานี่เลยผดขึ้นมาจนโอ้โหจนสะดุ้งทันว่างั้นนะแต่ผมก็จําไม่ได้ละเอาไว้ก็กลับปุ๊บทันทีเลยฟาดกันใหญ่เลยทีเดียวยันว่างั้นนะกับความเปลี่ยนกับวันนี้นะฟาดเป็นอย่างเอาตายก็ตายไปนี่ไม่มีเป็นอย่างอื่นทันว่างั้น เพราะอันนั้นบาดันตะเตือนท่านมาแต่ตอนจะมีกลวมาเชื่อคอยของกับเตืนอนเพราะจะมีกลัวขึ้นผึ่งขึ้นมานี่เนาเลยวางทันทะีเหมือนเหมือนอะไรพูดไม่ถูกสะดุดอย่างแรทกทุกขีดจนถึงกับว่าทําไม่ได้ว่านั้นเนะถอะะทั้งทงที่ไม่ได้กลัวตายเลยนะท่นวางเองนะท่านไม่ได้กลัวตายไม่ได้กลัวเจ็บกลัวปวยอะไรเลยไมไ่จะเอาให้ตายเท่านั้นนะแต่พออุบายนี้ ถึงขึ้นมานี่มันอ่อนไปหมดเลยเพราะเชื่อในอุบายมันหมดเป็นทรรมั้งแต่งเลยอมันเป็นว่ามืออ่อนไปหมดเลยหยุดอ่าจังหวดข้างประชาเนี่หก็เหมือนกันไปสะดุ้งกับมนกลางประชาเป็นว่าทำ ม, มาฟาดขึ้นมาหนักเลยกินทัง้งพลิกกลับคืนมาได้ ไม่กลับก็เอาให้ตายกันเลยไม่ให้ตายอย่างอื่นให้ตายด้วยความเพียรต่นหงหาะคราวนี้ให้ตายด้วยความเพียรต่นหงหาะไม่ให้ตายอย่างอื่นอีกจะให้เป็นไปนอย่างที่มันเคยเป็นนั้นเป็นไปไปม่ได้แล้วคราวนี้ตัดสินลงถึงกับถึงตายดังกับความเพียรแล้วเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ตัางหากท่านเด็ดเหมือนกันนะทม <oder. S 2> ันพูดทุกเข้มเข้มข้นเหมือนกันเพราะมีสองกับสองกับผมเปิดถึงเป็นที่นรก คุยตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มวันคำลบสองตั้งแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มวันคำลบสามวัตั้งแต่สองทุ่มถึงตีหนึงก็คุยไปอยู่สามคืนผมเท่าที่ั้นแปดคืนท่านทก็ยอมรัากันนะโอ้ผมเสียดายอะไรนาจีบไม่ค่อยเป็นไปไปเรื่องมาลึกคาที่พระมหาเทพให้ฟังพูดให้ฟังพุณจนาทำมกัน เวลาทาให้เป็นอไใจมันระลึกไม่ได้นะคท่านเวลาท่านหาพุดผมไม่ค่อยเข้าใจนะท่านวางพอพูดถึงทำขั้นถูงไปผมไม่เข้าใจผมงงไปเรื่อยๆท่านวางนี่นะแต่ผมก็ไม่อาจพูดอะไรตอนมันนี่แต่ฟังท่านหมาพูดไปผมไม่ค่อยรู้เรื่องท่านวางนี่นะพูดธรรมะล้วอียดนี้เวลามาเป็นขึ้นมาเรื่องนมานี่ไอธรมะท่านหมาพูดนั้นพอมันเป็นไปเจออันนั้นขึ้นมาพุกขึ้นมามาลับกันรับกันรับกันยอมรับยอมรับเออลำบากท่านวาง มี่ท่านมาภาคหลวงแสงนอาจารย์มาสารหลวงแสงก็พูดถึงเรื่องธรรมะนรรมหารการเจ ร, เริญขันห้าตลอดถึงอิสานไม่มีผมที่ผ่านมานี้ผมไม่เห็นหนังสือเล่มใดที่จะเป็นเหมือนที่จะแจงได้อย่างละเอียดแล้วถูกต้องไม่มีที่แย้งภารกิจเลยเหมือนหนังสือธรรหานะผมเอานี่ยเป็นแว่นสองใจผม เวลาผมติดขัดนะผมมาค้นดูหนังสือธรรมะทัานหนึ่งที่ดูตอนที่ท่านไปผ่าผ่าตัดอะไรลูกอะตอนลูกหมาโตไปผ่าตัดที่เพื่อกลับมาแล้วไปเอามาส่งตามส่งมาถึงจังหวัดเลยแล้วก็ท่านอาจะมานี่ก็ฝากคำ นีผมเลยไม่ลืมมีฝากความคิดถึงไปถึงท่านมหาบัวด้วยนะหวังท่านมหาบัวนั้น่ะเป็นอาจารย์นวัดธรรมานาหววังมาม า, า, ามาฝากคำมากมาพูดอยอุ้ยทำไมยังพูดอย่างนี้บะก็ท่านพูดอย่างนั้นนี่นาะหวังจ้ผมว่าไงท่านสั่งมาอย่างนั้นบุญกว่านะั้นเวลาก็สะดุดทันที ท่านอท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ข่องอธรมานะ ง, งั <c oughs> นพคืทมากก็ถูปุถอายุพรรษาอาโสมบรเติเาาราไม่รานี่อย่างนั้นก็เป <c oughs> ็นว่าเราเคยสนนาธรรมาพแต่คางที่แล้วปีด้ไหมนะปีมหนอนยะี่สิบไหมนะยิ่เขนหนังสือน้อยถามกันเลย ถามปัญหาเลยที่ตอบดีนี่งแน่ใจว่าท่านผ่านด้วยบร้อยแล้วตองแน่ใจผ่านเพราะถามจุดนี้ดังนั้นถ้ามัิดไม่เป็นตอบไม่ได้ไม่มีนรกกายวิดกนี้นี่ละผู้ปฏิบัติหลักปฏิบัติเท่านั้นเองเมื่อเห็นนี้เองที่ว่า ดูว่าในธรรมกันญาณบุญชนไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระโสดาได้พระโสดาไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระสกิทธาได้พระสกิทธาไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอนาคามได้พระอนาคามไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอรหันต์ได้แม้พระอรหันต์ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของอักษบกซ้ายขวาคือภาษาดูดโมกขนาได้ทีนีはは้ผมแม้ภาษาดูดโมกขนาก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของเวียเจได้นะเป็นขั้น มันตามพูน ม, ม, มีไม่ทำเพราะมันเป็นเพลิดเป็นเพิดเป็นเพิดเป็นถามถ้าจิตไม่ผ่านจิตไม่รู้มันตอบไม่ได้เพราะงั้นการปฏิบัติจึงมีความจำเป็นกับครูกับอาจารย์มากมายมันเป็นช่างประจําควางเลยถ่ก สอนผิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่ได้มันเป็นการประกาศภูมิของผู้สอนให้เห็นให้รู้สอนผิดผิดนิดหนึ่งก็แสดง<อ>ว่าผู้นั้นไม่รู้<อ>นี่สอนสุ่มดาวมาได้เลยภูมิขนาด น, นี้ยังมาสอนเราได้หนามันรู้แล้วนะเนี่ยธำวัตปฏิบัติถึงขั้นละยบิบระยับอะไรผู้สอนต้องเป็นผู้รู้เหนือผู้รับาออการอบรมมันถึงจะยอมรับผันได้ แต่ผู้สอนความรู้ต่ํากับผู้เอลมมันสอนไม่ได้ทำภาพปฏิบัติมันมันเป็นมันเฉพาะจริงจริงตอบผิดนิดหนึ่งไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติคือรู้ผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะผิดได้ยังไงพอฝูกมาพัใส่ยปั๊บเดียวทันก็นผ่านไปแล้วรู้ปบับปั๊บเดียวมันมีเครื่องขาด ภูมิปฏิบัติภูมิจำเพาะจำเพาะอาจจะภูมิระยะกว้างๆมาพูดมันก็เหมือนกับทูมมยาทั้งตู้ใส่คนไข้นะตายจะทิมจะหายโรคมันตายภูมิขอทั้งตู้ยาหนึ่งภูมิปฏิบัติเป็นหานพูดขึนเงี้ยไหนมันรู้เหมดอ้อมผ่านมาแล้วทั้งนั้น ทาการขาเงกูเข้ า, ขาขขทีนันดิทีนันแปลกๆเหมือนกันทำลีนหรือสำคัญนี้ะทำลีนสำคัญปิดทนหนึ่งเหมือนกันนู่นจะเป็นในตำนานนู่นนะทลีนเป็นเรื่องงอยู่กับผมมวยซายเป็นทั้งเรื่องการคิดการค้นการพิจารณาไม่มีเวลาว่าต ง, งาน้น แลวก็เป็นได้เลยก็บวชในงานศพของท่านพ่อแม่กุญจาราวนี้นะบวชในงานศพปี93ก็มาจำารรษาจน94ก็ไปจำห้วยทรายท่านก็ไปอยู่ด้วยห่วยทาย9่เป็นได้เลย ไปสำคัญตัวตอวหนึ่ก็จะวัคซีนไปพิกไปไงเาแกไมปัติปฏิบัติจริงๆมันก็มีอยู่นั้นะผู้ทรงมักทรงผลที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนว น, นี่แต่ผู้ทรงมัรงผลนี่งนั้นของูแวนนี้ครับเข้าถึงแล้วเราถ้าเข้าถึงแล้วเท่านั้นแหละถึงมันตายก็ไม่มีรถ ถ้ามีเปลี่ยนแปลงเปอย่างอื่นไปถ้ายังไม่เข้าถึงอ่านยังอยู่นั่นนะหมายควาครู่าอาจารย์นั้นเป็นยังไงก็ตามอยู่กลางๆนั่นนะแหะจะ ต, ตำหนิก็ไม่ใช่จะโยมรอก็ไม่เชิงอยู่กลางๆจ น, นกว่ารอเวลาที่ให้เข้าถึงตัวก่อนจะพูดต่อปากต่อคำกันอย่างเต็มที่อารัะที่นี้ขั้นใดภูมิใดก็เป็นอย่นั้นแน่แต่ ีการขาวเราปูนอ่อนเอารมกันเราทางขานฟ่าดถึงสี่ขวโมงเต็มทีเต็มเหนียวปลี่ยนสี่ห้านาทีไม่เอามากเลยจุดสาคัญสาคัญแยกเข้ า, าขไปเลยท่านตอบถึงมาเลยแลยกเข้าไปอีกท่านตอบถึงข้าลังนี่ฟาแล้วเท่าไหร่สามถึห้านาทีที่เหลือหนึ่งสิบนาทีะพอนั้นท่านพอใจแล้ว นาหรอนันไม่ถูกที่ไหนธนาค้านนะแตผมไม่ค้านเคุมหาอย่างนี้หลว่าเยไจากนั้นมาางเยั่นจะคุยกันแงเนั่นคุยกันแล้วังาถามมานะอุบาอาจารย์อยู่ทางแถวนี้นะตามาเป็นลาดับลาดาเอุนั่นคุยกันอย่างเลอนั่นคุยกันแล้วยง นั่ก็ไมายถึงปัญหาคีดื้อ่าเงี้ยไปต่อยกรบาอาจารย์ไหนมั่งคงจะว่างนั้นแถ้าไม่ อ, อย่างนั้นเราเยวคุยกังนั้นเอ้โคุยกันันอย่างนันคุยกันนัอย่างคุยกันกบท่านเชียงศีผ้าราศีอน่างทานยังได้ความออกมาถามรอีกแต่พอปัญหานี้มันไม่มีเลยคำพีใบลาน ปัญหาท่านตอบก็เหมือนกันดีไม่มีควาีผิดาเหมือนกันมันมีในหัวใจอยางงฟนลงหัวใจยังงี้กานใจปฏิบัติก็ต้องได้ทรงมรรคทรงผลอย่างว่าตั้งใจหมวนทำไม่ให้ลูกทำมาเยอยบยะทำมาจิตใจ ยกแต่ทําขึ้นเสมอเสมอเป็นกับตายหนักกับเบาก็พยายามยกทําขึ้นเป็นเครื่องป้องกันตัวอยู่เสมอแล้วยังไงก็มีทางที่จะทรงมสมรสมผลได้เป็นลาําดับลำดับเริ่มต้นก็ลําบากบ้างเป็นธรรมดาไม่ว่างานอะไรพวกเราไม่เคยทํามีพอเคยพูดั้ำๆมาลูกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วอย่างลําบากก็ยากเพื่อความสุขความเจริญสำหรับตัวเอง วความปวดเพื่องกองทุกข์ทั้งหลายต่างหาเรามีความทุกข์ด้วยความเพียรเพราะเพื่อการเพื้องทุกข์นี่มันจะทุกข์ขนาดไหนก็พอสู้กันการปั่นไม่มีเวลาจะคุยกันสักที ได้ยินพูดตั้งแต่นั่นเราจับเหมือนเงี้ยปีเราเผาศพเองมามันก็หลายปีมาแล้วนี่ผมประทับอยู่ที่นั่น<ม>บัตท่านอาวีท่านคำ น, นั้นท่านประดุกม่ใจหมอหมอห้ามเยี่ยมแต่ที่นี่สายท่านเป็นอย่างนั้นไม่มีคนมาเยี่ยมท่านก็มีพระไปคุยกับท่านอยู่ตลอดสององค์สามองค์นันผมไปอยู่นั่นผมไปนงเก็บอยู่สองคืนสามคืน ผมจะมไปถามเมื่อไรพูดเมื่อไรก็ไม่มีอะไรจะปลมีเ่อตพระนั้นต็มอุทมานี่ต้องพูดเฉพาะสองในสอ่นพูดใน น, นั้นนี่กับแบบหือผิดทั้งนี้สรุดปุ๊บเลยพูดถึงเรื่องว่ากันเมื่อยในงานสพ ข, ของพ้าแม่โฮปกามามาัา คือมันมันเหนื่อยมันเป็นอะไรในโลกเนี้ยเอดอาทิตต์จากนั้นนะท่านกับเป็นลมหายใจเนี่ยตอนที่โลมหายใจเนี่ยอมันจะไปริ้งกลางมันอะไรแล้วมันก็ลมหายใจเหมือนไม่มีที่เวลาเราเป็นเราเข้าใจอย่างท่านว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงบางทีเหมือนกับลมหายใจไม่ออกกแหมูกหายเงียบแต่เอ๊ะมันไม่ีลมหรือคือกําลังภายในใจมันหมดกําลังที่จะสูบลมด้วยอะไรก็นไปรู้ เหมือนไม่มีลมเอ๊ะ น, นี่มันจะไปที่จะเมื่อดถังหลากันละคืกทุกเวทนามาละเอียดเข้าไปเรียกไปมันบีบเข้าไปบีบเข้าไปบีบเข้าไปนี่ลมหายใจตอนนั้นมันจะไม่มีเหมือนกับว่าบอกเข้าใจมันจะหยุดทํางานเราก็มีหลักฐ า, านยาญญาณนะเพราะเราก็เป็นนะครัเป็นที่หลังท่านเร า, เามาพิจนารณาได้สอมสอง นันแล้วมันเป็นไงไมันจะไปนี่เดียตแต่มาแล้วปรากฏว่ามันนเหลือแต่วแวววความรู้ทันวันนะตอนจะจับได้ความรู้มันใช้แก๋คอยจะออกทันว่างั้นมีแต่ความร้นเดียวเรื่องลมเรื่องอะไรหายเรื่หมดมแต่ความรู้ใช้แก๋เหมือนนั่นทันว แต่ถ้ามันก็ไม่ออกทันว่าง้นนะมันก็เลยคอยฟื้นกลับขึ้นมาลมหายใจก็หมดตรากว่าไม่มีลมแล้วทบางทีเราไม่ได้เข่าสมาธิสอบบัตรละลายทันว่างั้นนะแต่มันหมดกําลังของหมอกใจนี่แหละความรู้นั้นมันคอยแตจะออกกันมางไอ้เจโอ้ท่านี้มันกระสุดตับตุนะ มันผลขึ้นมายังตายอยู่นี่เหลื่อยว่าอย่ะงนันยังตายอยู่นี่เลยยังไม่รู้บ่อยพบหรือนั่นอย่งนั้นว่าเราเป็นมาพอแล้วนี่มันรู้หมดนี่ใส่เก้วก็เคยแก้วมาพอแล้วเก้วจนเจ้าของอัศจรจะของวางกะนี้แล้วคือความใส่แก้วนี่ มันทำให้ติดให้พันอ้อยอิ่งมีอะไรเสมอมันนะโอ้โหมันติดถึงอัศจรย์นขนาดนี้อัศจัรย์ขนาด น, นี้อยู่นั่ น, นเนี่ยร่างกายมันก็ว่างไปหมดเลยเหลือะอันเดียวพอท่านพูดไปอยงั้นมันก็เข้าวังปั๊บก่อนั้นไข้เจีวนั่น ปูดปีน่นะเผาศพธนา a า a คงมานุ่มเป็นศูนย์ห้าศูนหกนะโอ้ศูนหกเพราะผมประเทศผมผมเริ่มเป็นโรคหัวใจบนธรรมากวัดทำโดยธรรมจิตดีผมจํำได้นั่นะเริ่มเริ่มแรกที่เป็นโรคหัวใจผมกำลังเทศกําลังเร่งเต็มที่ธรรมะแล้วมันวูบวาภายในหัวใจทันทีวูบว่าบเเป็นอะไรพูดไม่ถูก ผมหยุดเททันทีเลยนิ่งนันใครก็ต้องงงแหละเพราะเท ม, มันเหมือนน้ำไหลายไฟสว่างไปนี้มันบ่แล้วหยุดตึกเฉยๆนิ่งไปกันสิบนาทีละมั น, น, นเกงนั้นพอาะนั้นแล้วก็เทตัวนี้กับปากก็เป็นคนใหม่ไปแล้วแบบก็เลยลงจางนั้นมาก็เป็นดรื่อยตั้งแต่นั้น ผมออกจากว่าท่านท่านจาะตัน้นผมก็ไปวัาท่านจะมาไปนานๆปีนั่นปีท่านเราต้องฟังเราตักกุ้ยนั่นเราก็ฟังอย่างเต็มหูเต็มใจจากนั้นมาก็ไม่คุยกันอีก แลตัวพบเป็นตัวอะไรแล้วพอนั่นผ่านไปแล้วมันมีอะไรมีอี่ไหนใส่ก็มีมสมันก็มีมีมันมีทั้งใส่ทั้งส่อมันมีสิ่งที่จะให้ติดพูดยังไงใส่มันก็ติกนีน่ติดคลางใส่กลามสา ว, ามว่างก็ต่างกัน กลังความสมนวนมันติดตรงนันเพราะมันมีสิ่งให้ติดจิตมันชอาจะติดอยู่แล้วนปกติมันติดอยู่แล้วไม่มีอะไรมีเทไรมันก็ยังติดแต่นั น, นยิ่งเป็นของละเอยียดยิ่งจะติดดี้ติดตดังแกไม่ออก <c ười> ฐานแล้วมีอะไรมีอะไรขันอะบรกระดูกเหมือนเราแบบ ก, กระดูกไปแบบ ก, กระดูกไปแบบ ก, กระดูกมาอ ม, มันไม่รู้ว่าเราแบกมันลนะขันเองรู้ประขันเป็นต้นเราไปพามามเหมือนกับว่าแบบมันไปแบบมันมามันก็รู้ว่าเราแบกมัน เป็นธรรมชาติทั้งมันแต่ละอย่างละอย่างทำงานของตัวเองไม่มีความหมายตัวเองเลยเราเป็นติกรรมว่าลับทราบมันรับทราบมันถ้ามายึดมันได้ก็สนุกพิจนามันเลยทีหึเราไปถิดว่ามันเป็นเราก็แล้วไม่ได้นะพิจาณาตรงไหนจะไปเจอแต่เราไปเจอแต่เรามีแต่เราไปขวางอยู่หมดหาที่หาทองไปทำไม่ได้ือพอถอนเรามาเสียแล้วมันก็เห็นกันอย่างชัทเจร ขันนี่ผมรูปขันเหมือนกองกระดูกถ้าว่าเราจะเทียบนะเท่ากิจมันจะไปสำคัญยังไงจริงมันก็ไม่สาคัญจริงไปสําคัญหาอะไ ร, ก, รก็เหมือนกับสมมุติทั่วไปจริงเก็จริ ง, งนั้นเมื่อนังเองก็ดูกว่าไปยการสมมุติก็จริงกลางของมันมีธรามธรรมดาถ้าเป็นพูดตามหลมักธรรมชาติแต่ถ้าเราจะแยกออกมาเป็นอย่างเราแยกออกมากเป็นสมมุติประเภทหนึ่งขึ้นมาให้เป็น ข้ออัดข้ทําให้เหมือนคําว่าเรานั้นถอนตัวออกมาจากขันนี่เสียขันขันนี้มีรูปประคันป็นต้นมันก็เหมือนกับกองกระดูกเหมือนเราแบกกองกระดูกไปมานั่นเอ <c oughs> งคือกองกระดูกกับเรามันเป็นค น, น, นเหมือนกับเราแบกฟืนแบกอะไหรือเหมือนคนแบกศพไปนั่นแหะแบกศพคนตายไปมระ แ, แวงอะไรละประเภทสมมุติอะไรดี มีแยกให้เป็นข้ออัดข้อทำเป็นธรรมเทศนาหรืเป็นอุบายถ้าไม่แยกให้เป็นหลักตามหลักความจริงของจิต้วมันก็มีคำพูดเสียงพูดอะไรอะไรจะกินกินนี่ก็เมื่อไหรจิตเฉยไปซ้ำคัญเขานั้นเป็นนั่นนั่นเป็นรูปนี้เป็นเสียงนั่นเป็นกิ่นนี้เป็นรสอืมนั้นเป็นหญิงนี้เป็นชายถ้ามีก็เป็น เปลี่ยนวนเวียนต่างเหมนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งแต่เรายังไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็มีอย่านัเราเห็นเออเห็นไปได้ยินเข้ามาก็นําอารมณ์เข้ามาพัวพันตัวเองตื่นลมอย่างนั้นตื่นทั้งขานอยของตื่นทัญญาอยาของตื่นงออาของยุ่งอยู่กับอารมณ์เรียกว่าอภิตารมณไม่อยู่ตรงนี้ไหนจิตสัญญามื่อมันทันแล้วท้ายมันขึ้นมันพับมันก็ทันของมันหมดจะว่างไงไม่งั้นจะเรียกว่ามหาสิมบัญญาได้เลย พอมันแยกออกมันก็ทันมงนเสียแยกออกมาจิตใจนี้่มันมันแยกออกมานี่มันมาปรุงจะหลอกของมันก็รู้สช่มันก็ดับพร้อมเสียไงมันไม่ได้เป็นภาพเป็นเพื่อเป็นเรื่องเป็นราวตปได้เลยนี่ทัศสติปัญญามันทันได้อย่างเดียวมันเมื่อเป็นงั้นมันก็เห็นได้ชัดเลยที่ว่าเรื่องสังขารเรือสัญญาตัวหลอกที่สุดหลอกทั้งวันทั้งคืนหลอกอยู่ตลอดเวลา คนเราอยู่ด้วยอารมณ์มีนะถ้ามันมีทาเป็นอารมณ์แล้วมันก็ต้องเรื่องเหล่านี้เป็นอารมณ์เนเรื่องโลกเป็นอารมณ์คนได้นี่ตอนนี้เราไม่รู้สติปัญญายังไม่ทันพอถึงขั้นสติปัญญาทันมันถึงจะยังละมันไม่ได้ก็ยังไม่ขาดจากการเด็ดขาดก็ตามนะอมันก็ทันก็รู้นั่นแหละรู้นั้นเพื่อมันจะขาดทั้งมันเลยนะภาพเรื่องหญิงก็ตามเรื่องชายก็ตามเรื่องอะไรก็ตาม มม ข, ออขึ้นมามันจะเรื่องของใจมันออกทางนั้นอาศัยอารมณ์อดีตมาปรุงขึ้นเป็นปัจจุบันของตัวเองหลอกตัวเองพอมันแยกออกมามันกระดับทุบดับทุบมันรุ่นีนยเพราะแยกของมันก็ปลุกสติปัญญาพร้อมพร้อมพร้อ ม, ร, อมรู้พร้อมดับพร้อมดับพร้อมอมันก็ีอะไรเราะจึงเราจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่ามันก็มันมีจะเกิดกระดับฉะนั้นมันมีอะไรนเนี่ยสังขารตรุงแยกกระดับไปพร้อมเท่าพร้อมเท่าพรอไม่ต่อ เนื้อเยาวาสติปัญญามันทันมันต่อไปได้อย่างไรทันหมดแล้วมันก็ไม่ต่อแต่นั้นก็ขาดกันรู้จะถัดมันก็เหลืออดงใขาดนั่นเีงแล้วมันก็หมดปัญหามีปัญหาทั้งกลวงเลยเป็นนั้นว่ายุตินารโดยประการทั้งกลวงเลย วันีพวกนางสลองโบสอ์มาถามธรรมะหลายข้อเหมือนกันความีกิจการงานมากทำยงางภาวนาได้รวดเร็วแย่สะดวกสบายยังไงก็พระพุทธเจ้าก็เป็นถึงต้องมาหากษัตรย์หนึ่งอจะมีธุรามากหรือไม่มากที่ดูที่ลมขนาดมาหากษัตว์ได้ะเห็นได้โกงทรงทำได้เราถึงไม่ทำแบบพระพุทธเจ้าทุกข์เบียรประตามก็ กวรจะมีเวลาปิดตัวทําบ้แบบสิ์มีครูก็ยังดีนะว่าโอ้ทั้งงานนักขายงานกเหลือมือเห ม, ม, มือนพุทยาเจ้าเหมือนเวลาท่านเป็นกษัตริย์นะแล้วก็เท้าใบสอนนะก็ต้องเท้าใบพิการณาแปลก่แปลงตัวเองบ้างไม่งั้นมันก็จะะเกิดปอยู่อะไรเราก็จะบ่นให้แต่งงา น, นรุ่งนั่นรุ่งนี่น ผมเห็นเกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ปวดไม่เปื่องบ้างเพื่อตัวของเราเองเราัรับผิดชอบเราคิดบ้าง่ะครับต้องจะไปพังเทีเยก็เคยมาหาแต่ผมก็ลืมไปละคืนลืมหน้าหลังจำหน้านางอาวบุตมาเป็นหน้าของลุมเป็นหน้าของสมเด็จมั้ง คงจะหน้ากองราชว่ศผมดื่มไตามธํ า, ามะ า, าอธิบาตมานแล้วให้นังสือษ์ุ้ผลละสามเล่มประวัติปฏบัติธรรมะดวงใจก็ยังมีเหลืออยู่นั้นแบบมีเช้าในปงกูแค่คพนิก า, การมาหารสี่คนนี่ก็ได้เพ้าะปฏิบัติธรรอยู่ที่นี่ไม่มีเราระลึกไม่ได้อยู่ที่กุฏิมีป่บ น่าจะได้แต่สัก่งน้อยก็ได้แต่ักเล่มอย่างดีก็ยืมมป น, น่านกันแล้วแต่เราก็ลืมสนิดเขายังว่าเขาจะพยายามมาติดต่อยเวลามีหนังสือนี้มาปอนาดนัตินี้หมดในหนังสือจะทำงานเพขอมามากมาย